เพื่อนบ้านขีอิชฉากาลละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆของเกรมอนทามีคู่รักวัยชาอยู่คู่หนึ่งริชาร์ดและมารีริชาร์ดและมารีไม่มีลูกด้วยกันเลยแต่พวกเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าโรมิโอโรมิโอมาแล้วหนุ่มน้อยกับข้าวเสร็จแล้วโรมิโอเป็นที่รักของคู่รักมากและมันก็ไม่เคยจากพวกเขาไกล เขาเป็นสุดที่รักของเราเลยใช่ไหมฮ่ฮฮใช่แล้วล่ะวันหนึง่งขณะที่ริชาร์ดกำลังทำงานในสวนพร้อมกับโรมิโอเป็นปกติ mm hmm. เขาสังเกตเห็นบางอย่างแปลกไปโรมิโอกำลังสูดดมและคุยไปที่พื้นดินโอ้มีอะไรงั้นเหรอหนุ่มน้อยทันใดนั้นโรมิโอก็วิ่งกลับไปหาเจ้าของและเห่าเสียงดังก่อนจะกลับไปที่ดินตรงนั้นและคุยอีกครั้ง ริชารสงสัยว่ามีอะไรเขาจึงหยิบทั่วและตามเจ้าหมาไปโรมิโอกระโดกไปรอบๆและเห่าเสียงดังจนรำคาญทําทให้มารีออกมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นริชาร์ดขุดลงไปและไม่ช้าพลวกก็ติดกับอะไรบางอย่างโอ้พระเจ้าเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างนะเขาก้มลงไปและดึงหีบขนาดใหญ่ขึ้นมาและเขาเปิดมันออกเขาตกตะลึงเพราะขื่องในหีบ เต็มไปด้วยทองที่ส่องประกายมากมายคุณพระนี่ฉันกำลังฝันไปอย่างนั้นเหรอนั่นก็เรื่องของคณแต่ผมไม่ได้ฝันแน่นอนนี่เป็นของจริงฮะฮะฮะฮะเจ้าหนุ่มน้อยนำโชคมาให้เราแล้วเรารวยแล้วโรมิโอเห่าและกระโดดไปมาอย่างมีความสุขหีบนั้นหนักมากจนมารีต้องมาช่วยถือเข้าไปข้างในหลายวันผ่านไปโรมิโอได้รับทุกอย่างที่สุนัขชอบ กับข้าวที่ดีที่สุดและเบาะนั่งที่ให้เขานอนลงได้ราวกับเจ้าชาย mm hmm. เขามีช่วงเวลาที่แสนวิเศษจนกระทั่งวันหนึง่งร mm ูโ hmm. ซเพื่อนบ้านขี้อิจฉา mm hmm. เห็นว่าริชานและมารีได้โชคมา mm hmm. เขาจึงวางแผนที่จะจับโรมิโออย่างเจ้าเล่ฉันจะเอาหมาตัวนั้นให้ได้เลยในคืนนี้แหละเมื่อตาเท่ากับยายเท่านั้นลับ ฉันจะล่อเจ้าหมาหนุ่มนั้นด้วยคุกกี้และจับมันซะเหมือนกับที่เขาวางแผนไว้ในตอนกลางคืนรูโซแอบเข้าไปในบ้านของตากับยายริชาร์ดและมารีนอนหลับสนิทและโรมิโอน้อยกำลังเล่นกับลูกบอลอยู่ประตูถูกเปิดออกโรมิโอมองดูและเห็นคุกกี้แสนอร่อยวางอยู่ที่ประตูเขากระโดดและวิ่งไปที่ประตูทันทีเขาคาบคุกกี้เข้าปาก และเคี้ยวมันยังมีความสุขแต่เขาไม่รู้เลยว่าในคุกกี้มียานอนหลับผสมอยู่ทันทีที่เขากินเขาล้มลงไปกับพื้นและหลับไปหมานี่เป็นของฉันแล้วตอนนี้พอพูดจบเขาก็จับโรมิโอและหายตัวไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นริชานและมารีตื่นขึ้นมาพวกเขาไม่เห็นโรมิโออยู่ที่บ้าน พวกเขาจึงเริ่มออกตามหาโ อ, โ, มโอ้โรมิโอโรมิโอเจ้าอยู่ไหนหนุ่มน้อยแกอยู่ไหนที่รักตัวน้อยของฉันแต่ก็ไม่พบโรมิโอเลยขณะพวกเขาเมื่อตามหามานในสวนดูโซจากรั้วตรงข้ามได้ร้องออกมาเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเพื่อนบ้านพวกคุณดูเศร้านะดูโซเราหาหมาน้อยของเราไม่เจอ คุณเห็นมันบ้างไหมโอ้ไม่เห็นนะแต่ผมคิดว่ามันคงวิ่งตามผีเสื้อออกจากบ้านไปผมเห็นมันชอบเล่นกับผีเสื้อนั่นบ่อยๆนี่โอ้เขาโคลไปได้ไม่ไกลริชาร์ดเราไปพาเขากลับมากันเถอะจริงด้วยไปตามหาเขากันเถอะริชาร์ดและมารีออกไปตามหาเขาในทันทีเมื่อเห็นโอกาสเหมาะ รูโซรีบเข้าไปในบ้านและออกมาพร้อมกับโรมิโอเจ้าปีศาจตัวน้อยแกสร้างปัญหาให้ฉันทั้งคืนแล้วตอนนี้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะช่วยฉันหาสมบัติในสวนของฉันซะสซิเขาวางมันลงและผูกมันไว้กับสายจูงแกคิดว่าแกจะวิ่งหนีไปได้งั้นเหรอโรมิโอที่น่าสงสารมันเริ่มดมกลิ่นตามพื้นในไม่ช้ามันหยุดที่จุดหนึ่งและเห่าขึ้นออเด็กดี ฉันหวังว่าสมบัติของฉันจะมากกว่ารีชาตินนะพอพูดจบเขาก็เริ่มขุดลงไปและในมิชาเขาก็พบกล่องใบใหญ่เขาเปิดมันออกมาและพบว่ามันมีเหรียญทองอยู่เต็มไปหมดเจ้าหมาแกช่างวิเศษจริงๆฉันจะปล่อยแกไปเขาถอดสายจูองออกแล้ววางมันไว้ที่รั้วตรงข้าม เข้ไปข้างในสิพ่อกับแม่ของแกคงมาในไม่ชา้า <c> เ <oughs> รมิโอวิ่งเข้าไปในบ้านโดยทันทีรซโรซ้มองดูที่กล่องทองและยิ้มออกมาและเขาก็เข้าบ้านไปเมื่อริชาและมารีกลับมาถึงอย่างเศร้าใจเรมิโอดิเห่าขึ้นแล้ววิ่งมาหาพวกเขาโอ้แกอยู่นี่เองฮฮ <c oughs> เขาอยู่นี่แล้ว แกหายไปไหนมาโรมิโอเราเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะมารีอุ้มเขาและคู่รักก็เข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขในวันนั้นรูโซผู้โลภมากได้กลับมาที่บ้านของคู่รักชลาอีกครั้งผมดีใจด้วยนะที่คุณหามันเจอดูเหมือนมันจะสั่นนิดๆ น, นะจะเป็นอะไรไหมถ้าผมอยากพามันไปเดินเล่นหน่อยโอ้ นั่นคงเยี่ยมมากโรมิโอแ็อยากไปเดินเล่นไม้หนุ่มน้อยโรมิโอเดินเข้ามาและรูโซตกใจมากเพราะว่ามันพูดได้ฉันจะไม่ไปไหนกับชายคนนี้ท้งนั้นเขาใจร้ายรูโซช็อกมากเขาพงะและหันไปมองริชาร์ดโอ้มีอะไรอย่างนั้นแล้วรูโซทำหน้าย่ากับเห็นผี มากคุณูริชาร์และมารีมองหน้ากันอย่างขบขันเพราะพวกเขาเห็น <c oughs> เพียงโรมิโอเห่าเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ยินมันพูด <c oughs> โออะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยม า, มากองคุณมันเป็นปีศาจมันพูดได้ถ้าที่มันพูดหมายถึงมันเห่าแล้วก็นั่นแหละที่มันทำนะ โรมิโอเห่าแล้วรูโซก็จ้องมันอย่างซอกแซกผมสาบานได้ผมได้ยินมันพูดกลับบ้านไปเถอรูโซฉันว่านายคงเหนื่อยนะไปพักผ่อนสักหน่อยเธอดีขึ้นเมื่อไรค่อยพาโรมิโอไปเดินเล่นรูโซพยักหน้าและเดินเกาหัวกลับบ้านเช้าวันต่อมาเขากลับมาอีกครั้ง สวัสดีริชาร์ดมาดีเออขอโทษทีที่เมื่อวานผมทำตัวแปลกๆ แ, แล้วเจ้าตัวเล็กอยู่ไหนล่ะผมจะพาเข้าไปเดินเล่นโอ้ดีใจนะที่คุณดีขึ้นแล้วเออโรมิโอมานี่ซี่หนุ่มน้อยอโรมิโววิ่งเข้ามาในห้องและหยุดอยู่ใกล้ๆริชาร์ดโอ้ใช้โหดร้ายคนนี้ไม่เอาอีกแล้วและนั่นรูโซตะลึงมาก อะไรเนี่ยมีอะไรงั้นเหรอรูโซอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงหมาของคุณมันพูดอีกแล้วริชาร์ดและมารีมองหน้ากันอย่างสับสนโรมิโอแค่เห่าเท่านั้นเออรูโซเพื่อนฉันว่านายควรไปหาหมอหน่อยนะสัตว์จะพูดได้ยังไงเขาเขาพูดจริงๆ พวกคุณก็รู้เรื่องนี้นี่เป็นหมาเวทมนตผมรู้มันเป็นหมาที่นําโชคทั้งหมดมาให้พวกคุณและมันก็พูดได้ด้วยผมรู้คุณไปได้หมาเวทมนตัวนี้มาจากไหนผมอยากรู้รูโซมันเป็นแค่หมาน้อยตัวหนึ่งไม่ใช่เวทมนอะไรหรอกก็จริงที่มันช่วยพวกเราให้พบสมบัติแต่มันก็แค่โชคลบับ และมันก็ไม่เคยทำอีกเลยเขารู้กับทั้งหมู่บ้านนั่นแหละโอ้พวกคุณคิดผิดแล้วนายหมายความว่าอย่างไงฉันจะแสดงให้คุณเห็นแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่อยู่คนเดียวฉันจะไปพาหัวหน้าหมู่บ้านมาและเปิดปวงพวกคุณต่อหน้าเขาทั้งหมู่บ้านต้องได้รู้ว่าพวกคุณเป็นหมอผีชั่วร้ายและใช้คาถาหมอผีในหมู่บ้านนี้และฉันจะเอาหมาเวดหมนตัวนี้ ฉัันจะกลบมาขณะที่เขาเดินออกไปริชารและมารีก็มองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขาคิดว่าเพื่อนบ้านของพวกเขาเสียสติไปแล้วในวันนั้นเขาพาหัวหน้าหมู่บ้านชิโรไปที่บ้านของพวกเขารูโซตะกนเรียกอยู่หน้าบ้านของพวกเขาออกมาเดี๋ยวนี้พวกหมอผีเอาหมาปีศาจของแกออกมาด้วย ฉันมาเพื่อเปิดโปงพวกแกตอนหน้าคุณชีโร่รูโซตะโกนเสียงดังจนมีชาวบ้านคนอื่นออกมารวมกันที่บ้านของริชาร์ดและมารีพวกมันอยู่นั่นหมอผีปีศาจมันใช้คาถาชั่วร้ายในหมู่บ้านของเราท่านครับคุณต้องไล่พวกมันออกไปเดี๋ยวนี้เ อ, อคุณชีโร่ผมคิดว่ารูโซ่เสียสติไปแล้ว เราควรพาเขาไปพบหมอหยดแสดงละครได้แล้วฉันจะเปิดโองแกรูโซคุณต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาพวกเขาฉันรู้จักริชาร์ดกับมารีมาหลายปีพวกเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่บ้านเราพวกเขาแค่แสดงเป็นคนดีท่านผมมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้พูดจบเขาก็มองไปที่โรมิโอ พูดออกมาสิฉันขอท้าแกนายอยากให้ฉันพูดอะไรล่ะเห็นไหมหมานั่นข้าพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมคุณชิโร่มองเขาด้วยความสับสนชาวบ้านก็ต่างมองกันด้วยความสับสนเช่นกันนายพูดเรื่องอะไรรู้โซก็ก็หมานั่นน่ะฉันพูดถึงหมานั่นคุณได้ยินที่มันพูดแล้วนี่ไม่ได้ยินเหรอ ฉันได้ยินแค่เสียงมันเห่าอะไรนะเป็นไปได้ยังไงเขาหันไปหาชาวบ้านด้วยความกโกรธพวกนายทุกคนได้ยินมันพูดใช่ไหมฉันได้ยินแค่เสียงเห่าใช่ฉันเหมือนกันนะฉันว่าริชาร์พูดถูกรูโซ่เสียสติไปแล้วไม่ข้าไม่ได้บ้าเจ้าหมานี่ช่วยพวกเขาหาสมบัติมันเป็นหมาเวทมนต์พวกเรารู้เรื่องนั้น แต่มันเป็นเพียงความบังเอิญและสุนัข ก, ก็มีภาษาสัมผัสกลิ่นที่ดีโออย่างนั้นเหรอพูดเช่นนั้นรูซโซก็อธิบายตอนที่เขาจับโรมิโอและให้มันช่วยหากล่องสมบัติในสวนของเขาอะไรนะนายลักพาตัวหนุ่มน้อยของเรางั้นเหรอนายงั้นเหรอนั่นยอมรับไม่ได้นะรูซโซฉันขอไล่ให้นายออกจากหมู่บ้านซะโอ้ ไม่ใช่อย่างนั้นท่านหัวหน้าหมู่บ้านต่นเดนไม่ได้อยู่ที่ฉันลักพาตัวปีศาจน้อยนั่นแต่เพราะว่ามันช่วยข้าหาสมบัติได้เห็นไหมล่ะมันเป็นมหาเวทมนต์มันสามารถหาสมบัติได้ไม่จากัดเลยพิสูจน์ซิน้ำกล่องมาให้เราดูได้เลยพูดเสร็จเขาเปิดหอผ้าและนำกล่องที่พบในสวนของเขาออกมา ดูให้ชัดๆนะทุกคนฉันกำลังจะเปิดกล่องที่เต็มไปด้วยเหรียญทองเขาเปิดกล่องออกมาแล้วหวาดกลัวสุดขีดเองชีวิตของเขาในนั้นมีเพียงดินสายอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้พอได้แล้วไม่เพียงแต่ทาให้ทุกคนเสียเวลานา ย, ยังทำให้ริชาร์ดกับมารีเสื่อมเสียอีกนำซ้ำ นายยังขบอยมาตัวน้อยของพวกเขาอีกฉันขอประกาศให้นิรเทศนายออกไปจากเกรมอนทาและห้ามกลับมาเยียบหมู่บ้านนี้อีกแต่แต่แต่ว่าหยุดพูดได้แล้วเก็บกระเป๋าแล้วออกไปซะไม่งั้นฉันจะเรียกทหารของหมู่บ้านรูโซเดินคอตกออกไปคุณชิโร่เดินมาหาริชาและมารี ผมต้องขอโทษด้วยกับเรื่องนี้แต่ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปรูโซ่จะไม่ทำปัญหาให้คุณหรือว่าใครในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปผมจะเนรเทศเขาไปให้ไกลไกลจากหมู่บ้านนี้ขอบคุณมากคุณชิโร่ความเป็นผู้นำของคุณทำให้เราทั้งหมดปลอดภยัยคุณชิโร่ยิ้มและย่อลงไปลูบหัวของโรมิโอช่องเป็นหมาที่น่ารัก คนที่คิดว่ามันเป็นพ่อมดนี่คิดอะไรอยู่โรูโซถูกเดรเธอต์ออกจากหมู่บ้านและโรมมโอก็อยู่อย่างมีความสุขกับริชานและมารีโดยพวกเขาไม่ยอมให้มีอันตรายใดเกิดขึ้นอีกสำหรับคู่รักไวชราพวกเขาไม่มีวันรู้เลยว่าสุนัขของพวกเขาเป็นสุนัขแสนพิเศษ